Lonely, falling, falling, ลอข้าวหลือ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับใ น, ในช่วงนี้นี่นะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับ ท, ที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นที่สนใจมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสอบบรรจุครูนะครับครูผู้ช่วยนะครับซึ่งมีการ ปรับเกณฑ์นะครับในส่วนของกระทรวงนะครับำหนดใหใ้ในบางสาขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครูหรือว่าตั๋วครูน่แหละครับนะก็จะทำให้นักศึกษ า, าที่จบอเอกอื่นๆนสายอื่นที่ไม่ได้สายสายคบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาสอบนะสมัครสอบนะครับเพื่ อ, อรับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยนะครับโดย ในส่วนของกระทรวงก็ให้เหตุผลบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาครูบางสาขานะครับนะที่ขาดแคลนนะครับเพราะว่าจะมีคนมาสมัครน้อยหรือว่าเป็นสาขาเฉพาะนะเฉพาะด้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษานี่ไปตรวจสอบดูนะครับนะว่าเอกไหนบ้างส่วนเอกอื่นๆทั่วไปส่วนใหญ่นี่ก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือจะต้องมี ใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีตั๋วครูก่อนถึงจะมาสมัครสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยได้นะครับนะก็มีมีอยู่2แบบนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าคนที่ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูนี่ก็จะมาจะานักศึกษาที่เรียนคอบอทางด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์5ปีนะครับนะก็จะที่เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยครุสภาก็จะได้รับใบใบตัวครูนี้ออกมา หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเอกอื่นที่ไปไ ป, ไปสอนอยู่ตามโรงเรียนนะครับแล้วก็มาอบรมนะอบรมวิชาชีพครูเพิ่มเติมอีกนะประมาณปีปีกว่า ก, าก็จะสามารถที่จะได้รับใบ ป, ประกอบวิชาชีพครูเพราะนั้ น, นีนตรงนี้เนี่ยมีขั้นมีตอนอยู่ที่ว่ า, าในส่วนของอในส่วนของนักศึกษาบัณฑิตเนี่ยสนใจ มาสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยมากเพราะว่าก็มีความมั่นคงสูงนะครับก็เป็นบรรจุเป็นข้าราชการนี่ก็อย่างที่รับทราบกันดีนะครับว่ามีสวัสดิการนะครับกันมากมายโดยเฉพาะสวัสดิการการรักษาพยาบาล น, นี่นะครับครอบคลุมถึงพ่อแม่นะครับสามีภรรยาลูกและต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าหลายคนก็บอกว่ามั่นคงอเอกช น, นก็มีคนที่สนใจมากก็มีคนมาสมัครเรียน ในคณะครุศาสตร์กันกันมากนะครับกับคณะนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยตอนนี้กําลังรับสมัครอยู่ก็ในหลายๆจังหวัดนี่ก็มาสมัครกันเป็นหมื่นคนแล้วครับนะบกับแข่งขันก็ให้โชคดีกันกันทุกท่านนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอครูผู้ช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการปริศโตเลียมนี่หลายคนติดตามข่าวนะสนใจนะครับนะเพราะว่าจะมี าการพยายามที่จะผ่านกฎหมายนะครับเกี่ ย, กยวกับเรื่องพรบรปิโตเรเลียมขึ้นมาซึ่งจะมีการตั้งบริษัทบริษัทน้ํามันแห่งชาติกันขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านมาดูรายละเอียดของกรรมธิการเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกอากานิษฐ์หมื่นสวัโโสดิ์โฆษกคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พหรบปิโตเรียมนะครับของของสอนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าว่าเจตนารมณ์ที่บัญญัติมาตราสิบทับหนึ่งไว้ในร่างพหลบรบปิโตเรียมก็เพื่อเปิดช่องให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของสอนชในวันที่สามสิบมีนาคมนี้นะครับเพราะว่ า, เ, าเกี่ยวกับเรื่องปีโตเรียมนี่มีการพัฒนามาอา เกิดมาโคโรก็เกิดม า, ามีการพัฒนาม า, าเกือบสี่สปีแล้วนะครับนะซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการาให้สัมปทานก็คือให้ต่างชาติเนี่ยมาสัมปทานมาขุดเจาะให้เอกชนนะครับแล้วก็มาผลิตมาจําหน่ายนะในส่วนของสอนชอชก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปิโตเรเลียมนะครับดูข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้นี่ก็มีาการเสนอกฎหมายขึ้นมา แล้วก็มีมาตรา10บทับหยครับที่เปิดช่องให้มีบริษัทน้ํามันแห่งชาติกันขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนนะครับใน ห, หลายส่วนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าการพิจารณาของของสอนช น, นี้จะจะจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของพรบรเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนะบริษัทน้ํามันแห่งชาตินะครับนะซึ่งก็ต้องดูนะครับในหลายๆส่วนนะครับนะ ในส่วนของภาคประชาชนนะครับนะมีเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคอปพอนำโดยนางสาวลรสนาตศิสตกูลบ้างนะครับ น, ะนายปันเทพพัวพงพันธ์ก็ร่วมกันพิลายเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็มีการเสนอท่าทีนะครับนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของบริษนะัทน้ำมันแห่งชาติ นในส่วนกลุ่ม น, นี้ก็บอกว่าน่าจะมีการตั้งนะครับแนตะ่เลแต่ว่าก็ต้องให้ดูรายละเอียดให้ผลประโยชน์นี้ตกกับประเทศชาตินะครับนะเขาต้องดูนะครับว่ า, วาจะจะจ ะ, จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนนายมนตรีลาวันชัยกุลนะครับซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดจการใหญ่ในส่วนของปตทสพก็บอกว่าในส่วนของปต ท, ทก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งสรุป ความชัดเจนหัวล่างพลบบอเปโตรเลียมแห่งชาตินียจะมีการเปิดนให้มีการประมูลแหล่งกา๊าซใหม่หรือไม่สิ้นตรีนี้พอจะส่งผลกระทบต่อปริมาณกา๊าซที่ลดที่ลดลงอย่างมากหลังหมดสัมปทานนะครับนะคือก็ต้องให้มีท่าทีที่ชัดเจนเหรือจะดูว่าจะตั้งบริษัทน้ามันแห่งชาติอะไรต่างๆห ร, หรือไม่นะครับนันก็เป็น ท่าทีของลหลายส่วนนะครับนะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับอยู่ห่างกันแสนไกลคิดถึงกันบ้าง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 หัวใจอาวองามดเจ้าจะันถึงกันหรือปลานานจะนานแสนนานเพียงไงไม่วันขอให้เธอรักฉันรัก จากมาสุดเวลาน้ทตายังเพื่อนเปียดมอนหลับยังฝันทุกคืนตื่นห่วงหาหัวใจตาวนหัว ง, งามนอนเจ้าจะลับฝันถึงกันหรือปล่านานจะนานแสนนานเพียงไหนไม่วัน รักมันสองเราเติมแต่งความคนึนคิดถึงกันคำชาสง่งข้าพพระครักเราจะไม่อ่อนแอ พูดมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารที่ที่น่าสนใจมาดูเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับรองนายกนายสมคิดจตุศิรพิทักษ์รองนายกนะครับมีการให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนนะครับในกิจการของรัฐหรือว่า PPP ซึ่งก็บอกว่าในคณะกรรมการร่วมลงทุนเนี่ย เห็นชอบให้เกิดมาตรการลงทุน Fast t แท็กกันขึ้นมา6โครงการอนุมัติอย่างเช่นคงจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับนะแล้วก็มีสายรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับแล้วก็มีการขยายโครงการรถไฟสายภูเก็ตนะครับนะแล้วก็มาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างสายนครปฐมชะอํา นะครับก็มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดังนั้นแหละครับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองมูลค่าประมาณแสนห0 0หล้านโครงการรถไฟฟ้านะสายเชียงใหม่นะครับก็กําลังศึกษาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าโครงการที่ลงทุนเป็นแสนล้านนี่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรองนายกว่ายอย่างนั้นนะครับนะก็จะส่งผลดีนะครับรนะวมทั้งมีโครงการทางหลวงมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่าง สายบางป in, อินคืออยุธยามาที่โคราชนะครับแล้วก็มีสายบางใหญ่ไปกาญจนบุรีก็มีเขาเรียกว่ามอเตอร์เวย์ทางหลวงสายใหม่แล้วครับนะก็จะตัดมาอีกนะครก็สร้างกันแน่นะครับรวมทั้งรถไฟรางคู่อีกหลายเส้นก็บอกว่าจะกระตุ้นนะครับจ ะ, ะกระตุ้นเศรษฐกิจนะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนะก็จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับนะจะมีการเจริญเติบโต ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีสื่อลงว่าอลบาบาซึ่งเป็นบริษัทค้าอ e ีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่นะครับของของจี น, นะจะถอนการลงทุนจากไทยไปไปอยู่มาเลเซียนี่ก็บอกว่าในส่วนของแจ็คมา阿里巴巴นี่ลงทุนของทั้ง2ประเทศแหละครับนะทั้งไทยทั้งมาเลเซียนในส่วนของมาเลเซียก็เป็นเรื่องของการกระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าไทยเราก็จะเน้นเรื่องอ e ีคอมเมิร์ส นะครับนะซึ่งเพราะฉะนั้นนี่แต่ละประเทศนี่ก็แจกมานะ<ม>ไปไปลงทุนกระจายกันไปในอาเซียนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็ให้ข้อมูลกันนะครับนะให้ข้อมูลส่วนกรณีเกี่ยวกับเรื่องอบริษัทเอกชนนะครับที่ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนะครับนะซึ่งมีการลองเรียนว่าอยู่ในพื้นที่สบกแถวชัยภูมิแถวโคราชนะครับนะนะซึ่ง ดูว่าสารปกครองจะตัดสินยังไงมีการล่องสารปกครองนี่ในส่วนนี้สปรกรเนี่ยนะครับนะสำนักงานปฏิรูปนะที่ดินเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องยกเลิกนะครับแนตะ่โครงการการหันลมเนี่ยนะครับผลิตกหันกรผลิตไฟฟ้าจากลมนะโครงการการหันลมเนี่ยเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วก็ทำถูกทุกขั้นตอนก็คือมีการขออนุญาตนะที่มีการใช้พื้นที่ของสอปรกรเนี่ยนะครับมาทำ โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับก็มีมีอยู่หลายหลายแห่งนะครับนะที่แถวชัยภูมิแถวโค ร, า, ราชนะ ค, คือนำลมเนี่ยม า, มาผลิตเป็นไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะนะถ้าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์นะก็น่าจะมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยกว่าถ่านหินนะครับเพราะถ่านหินนี่ก็จะมีควันมีต่างๆแต่ถ้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ ก็มีทั <di> ่วไปก็น่าจะลงทุนนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เราจะติดตามนะครับมีการเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านการศึกษาหลายๆส่วนถ้ามีอะไรก็จะนํามาพูดมาคุยในรายการในในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผมนิรันดคุลธนันต้องขอลา ท่านไปนก่อนแลวพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ใครคนนั้นเขาทําใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทําให้เศร้าความจริงฝากไปของใจใครใคณหนึ่งขอ้ขับรำพึงแต่เธอหากไปดีมีรัก รักจงมันคงแน่นอนกใครรอนจากลาน้ตาเธอคงลงเดินอจนาจริงเานมาเอาใจเพียงเธอข อ, อให้พบเจอเมืเหาวันนี้เขาคงทํา ยังรอเธอไม่หาจดจคำ จ, คำจดจนี้ฉันมีคาเดียวที่บอกออกจากใ จ, จไม วันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความลังใจฉันยังรอเธอไม่หาจุดจำคำ คอยแต่เธอรักเธอเธอคงมั่นคอยนับวันให้เธอกลับมาจากเราคอยแต่เธอรักเธอเธอคงมั่นคอยนับวัน